หลวงพ่มาเร็วไปห้านาทีนั่งภาวนาไปไปเทศที่เชียงใหม่ประเทศเสร็จแล้วก็มีให้นั่งภาวนานี่เราอย่าไม่ถึงเวลาเวเรานั่งภาวนากันก่อนนั่งภาวนาก็นั่งเจริญสติหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจะดูร่างกายก็ได้ดูลมหายใจก็ได้ ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้แต่ให้จิตมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งก่อนอยู่กับลมหายใจนะก็ ร, ะรู้สึกตัวหายใจไปอยู่กับเวทนา้วก็มีความรู้สึกตัวอยู่เวทนาเกิดขึ้นในร่างกายหรือเวทานาเกิดขึ้นในจิตใจเราก็รู้สึกให้ใช้จิตเป็นเครื่องอยู่ก็ได้จิตมีความสุขเราก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเป็นปุสสจิตเป็นอภิสุนี่รู้นั่งดูมันไป นั่งขั้นแรกเรารู้สึกตัวไม่ใช่นั่งคิดนะนั่งรู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดนะูเวลาเรานั่งภาวนาื่อทีใจก็หนีไปคิดให้รู้ทันว่าใจหนีไปคิดแล้วบางทีใจก็ไปเพ่งไปเพ่งลมหายใจไปเพ่งท้องให้รู้ว่าไปเพ่งแล้ว ตอนหลงไปคิดก็สุดโตไปข้างหลงตอนเพ่งไว้ก็สุดโตไปข้างบังคับตัวเองตออ่องานนี้แหละเราไม่เอาเราเอาจิตที่รู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจใ้เป็นคนดูไปสบายๆฝึกให้ได้ทุกวันวันละห้านาทีสิบนาทีฝึกทุกวันคอยรู้ทันเวลามันหนีไปมันฟุง้งซ่านเราคอยรู้ทันมันซึมลงไปเราคอยรู้ทัน นั่งเอาความรู้สึกตัวไม่ได้นั่งเอาอย่างอื่นตัวนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติการที่เรานั่งแล้วเรารู้สึกตัวอยู่นนะเราไม่ขาดสติจิตหลงไปเรารู้ทันนีเรามีสติในขณะเดียวกันไม่ได้ไปเพ่งบังคับกายบังคับใจให้นิ่งเราแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจแค่รู้สึกเท่านะั้นถ้าเราแค่รู้สึกเราก็จะเห็น กายนี้ใจนี้เขาไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยเราซ้อมอย่างนี้ทุกวันวันหนึง่งห้านาทีสิบนาทีถ้าซ้อมได้บัลลัสามเวลายิ่งดีมากเลยทำไมหลวงพ่อยังไม่บวชยังคารวาตก็ซ้อมอย่างนี้นะกางวันกินข้าวแล้วก็มานั่งห้านาทีสิบนาทีไปเดินเดินก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัว เราภาวนาไปได้เร็วถ้าเราซ้อมทุกวันตื่นนอนขึ้นมานั่งสักห้านาทีสิบนาทีนั่งรู้สึกตัวจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้ต่างวันกินข้าวแล้วอาจจะนั่งแล้วง่วงก็เดินเดินด้วยความรู้สึกตัวจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งร่างกายอยู่ก็รู้ตกเย็นอย่ารอให้ง่วงภาวนาสักก่อน กลับบ้านอาบน้ำอาบท่าสบายนั่งภาวนาสักสิบนาทีนี่หลวงพ่อก็ฝึกอย่างนี้นะแล้วเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจำวันการจเจริญสติในชีวิตประจำวันก็มีสติอีกนั่นแหละแต่ไม่ใช่ให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวเวลาเราทำในรูปแบบนะั้นเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธอยู่กับพองยุคแล้วคอยรู้ทันจิต อันนี้เรียกว่าจิตศิกขาคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยจิตนี้ไปคิดแล้รู้จิตไปเพ่งเรารู้เราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาถ้าไม่ไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจเจริญปัญญาไม่ได้ไม่ได้จริงหรอกอย่างมากก็ไปคิดเอาคิดเรื่องกายคิดเรื่องใจไม่ขึ้นวิปัสสนาแท้ๆวิปัสสนาแท้ๆนะมันเลยขั้นการคิดเป็นเป็นขั้นการเห็น เห็นตามความเป็นจริงวิปัสนาว่าเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่คิดเอาคิดเอาเรียกวิตกไม่ใช่วิปัสนาเนี่ยถ้าเราซ้อมทุกวันนะใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วต่อไปเรามาฝึกในชีวิตประจำวันฝึกในชีวิตประจำวันต่างกับการฝึกในรูปแบบฝึกในรูปแบบเนี่ยเราน้อมจิตอยู่ในโอารมณ์เดียวแล้วคอยรู้ทันจิตจิตนีไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้ แตเวลาเราฝึกในชีวิตประจำวันเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติตาเมาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งร่างกายกระทบความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งให้มันกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติเนี่ยอย่าไปฝืนมันอย่าไปห้ามมัน อย่างบางคนจะดูก็ไม่กล้าดูจะฟังก็ไม่กล้าฟังค่อยปิดตาคอยปิดหูจะดมกลิ่นก็ไม่อยากจะดมไม่อยากรู้รสไม่อยากอะไรคิดว่าจะเลี่ยงการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใ, ใจจะได้สงบใจเข้าใจผิดแล้วการปฏิบัติทำในชีวิตประจำวันเราปฏิบัติแบบมนุษย์ธรรมดานี่ตาก็ามองเห็นว่าเรามีตาหูก็ได้ยินเสียงเรามีหู จมูกก็ได้กลิ่นเพราะเรามีจมูกลิ้นมันก็รู้รสเพราะเรามีมีลิ้นร่างกายก็รู้เย็นร้อนนอนแข็งใจมันก็คิดนึกปรุงแต่งให้มันทํางานตามธรรมชาติให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติไม่ห้ามไม่ฝืนบางคนคิดว่าต้องปิดมันไปก่อนแล้วภาวนาดีถ้าปิดก่อนแล้วภาวนาดีนะคนตาบอดก็ภาวนาเก่งกว่าเรา ถาหูหนกด้วยยิ่งเก่งหนักขึ้นไปอีกนะเป็นโรคเรือนนะไม่รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเนะี่ยร่างกายไม่รู้สัมผัสเนยะยิ่งเก่งใหญ่เลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเอาจิตออกจากสมาธิได้ละนะเริ่มซึมแล้วลืมตาไว้ค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าให้จิตซึมซึมเป็นชื่อของส้วมห้ามเรียนแบบรู้สึกไหมรู้สึก รู้สึกไปแล้วก็ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์อย่างใจมันคิดนะไม่ห้ามไม่ใช่ห้ามความคิดนะพอกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติแล้วโดยธรรมชาติของจิตเมื่อกระทบอารมณ์แล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นที่จิตเช่นตามองเห็นของสวยของงามจิตมันมีความสุขขึ้นมาหรือเห็นของสวยของงามมีความสุขขึ้นมาแล้วมันชอบ นี yeah. it. It like it. It ่เกิดปฏิกิริยาคือความสุขเกิดปฏิกิริยาคือพอใจราคะมันเกิดเห็นหมาขี่เลือนวิ่งมาไม่สวยไม่งามเห็นแล้วกลัวมันกัดด้วยเห็นของไม่สวยไม่งามใจไม่ชอบรู้ทันเลยใจมันไม่ชอบกลัวหมามันกัดรู้ว่ากลัวแม้ใจมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาตามองเห็นเกิดสุขเกิดทุกข์ เกิดปฏิกิริยาเป็นกุศลอกุศลขึ้นมาเรามีสติรู้ทันพอหูได้ยินเสียงนะอย่างเพลงนี้เพลงนี้เราชอบได้ยินแล้วมีความสุขหรเพลงนี้ได้ยินแล้วเศร้าไม่ใช่ฝึกไม่ฟังเพลงพหูมีอยู่มันได้ยินเสียงอย่างเนี้ยตอนเนี้นกเขามันร้องได้ยินไหมมันไม่ยอมร้องแล้วมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้ ได้ยินนกร้องมันร้องเพลาะใจเราชอบใจเรามีความสุขใจเราชอบรู้ทันว่ามีความสุขรู้ทันว่าชอบในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนะเราปฏิบัติกันที่จิตนี่แหละตากระทบรูปแล้วจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดกุศลน่ากุศลเกิดยินดียินร้ายเรารู้ทันหูได้ยินเสียงเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลน่ะกุศลเกิดยินดียินร้ายเรารู้ทัน จมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนอย่างอยู่บ้านได้กลิ่นอะไรเน่าๆนะไม่สบายใจเกิดความไม่สบายใจว่าตัวอะไรมาตายในบ้านเวลาไปพาวาตามวัดได้กลิ่นเน่าๆไม่กลัวตัวอะไรมาตายนะกลัวตัวที่ตายไปแล้วไอ้ตัวที่กำลังตายอยู่ไม่กลัวกลัวตัวที่ตายไปแล้วไม่มีร่างกายใจมันกลัวไได้กลิ่นใจยังกลัวได้ รู้ทันใจที่กลัวเนี่ยการปฏิบัตินะไม่ได้ยากอะไรหรอกคอยรู้ทันความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปความรู้สึกมันเปลี่ยนเราคอยรู้ทัน<อ>เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายใจมันคิดคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้เป็นกุศลคิดเรื่องนี้เป็นอกุศลเราก็คอยรู้ทันใจของเรา การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนะสำหรับพวกเราชาวเมืองเนี่ยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิต ง, ง่ายนะความจริงทำอย่างอื่นก็ได้รู้กายก็ได้นะอย่างจะเดินจะทำอะไรนะเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็ได้เห็นหมกรรมาฐานไม่ใช่ว่าต้องดูจิตอย่างเดียวดูกายอย่างเดียวไม่ใช่ใครถนัดดูกายก็ดูกายใครถนัดดูจิตก็ดูจิต น, ะน จริตนี้ใส่คนไม่เหมือนกันถ้าคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็เหมาะกับการดูกายคนไหนคิดมากจิตใจเปลี่ยนตลอดเวลาเลยกระทบอารมณ์ปุ๊บใจมันเปลี่ยนกระทบอมพุ๊บใจมันเปลี่ยนเห็นดอกไม้สวยก็คิดต่อละแม้อยากเด็ดนะอยากจะเอาไปให้คนนั้นก็นี้คิดต่อไปไกลเลยส่วนพวกตันหาจริตรักสว ย, ร, สวยรักงามเห็นดอกไม้สวยก็เคลิมอยู่กับความสวยอย่งนี้ไม่คิดมาก นิสัยไม่เหมือนกันนะพวกที่ติดในความสวยความงามความสุขความสบายอนะไรเนี้มาดูกายเอากายเป็นบ้านเป็นวิหารธรรมไว้อยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นมันเรื่อยไปแต่เราเป็นคนดูสบายพวกคิดมากเจออะไรก็คิดมีภากวิจารณ์ตลอดเวลาพวกนี้เหมาะการดูจิตเพจิตมันเปลี่ยนทั้งวันเลยคิดเรื่องนี้ก็สุขคิดเรื่องนี้ก็ทุกข์ พอตามมองเห็นจิตมันก็คิดนะตามมองเห็นจิตมันก็คิดหูได้ยินเสียงคิตก็คิดจมูกได้กลิ่นลิ้นก็ะทบรถใจสัมผัสอารมณ์อะไรก็คิดต่อตลอดคิดไปแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดียินร้ายมีสติรู้ทันที่จิตนเองงั้นการที่เรามาหัดรู้จิตรู้ใจนะมันเหมาะกับคนส่วนใหญ่ในเมืองพวกเราชาวเมืองส่วนมากนักคิดคิดทั้งวันเลย ไม่มีใครกต่อเรื่องให้เราเราก็ก่อเรื่องเองนะคิดเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองได้ทั้งวันนะหาเรื่องคิดไปื่อยให้เราคอยมีสตินะเนี่ยเรียกเจริญสติในชีวิตจริงๆอย่างคนไหนถนัดดูกายนะกวาดบ้านก็ปฏิบัติได้กวาดบ้านไปเห็นร่างกายมันกวาดบ้านใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายกวาดบ้านใจเป็นคนดูในะห้ร่างกายมันเดินไปมันเหลียวซ้ายแลกขวามันขยับไม้ขยับมือ ดูไปดูไปมันจะเห็นในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ก็ได้คนชอบตัวจิตกวาดบ้านได้ไหมกวาดบ้านได้อย่ามาอ้างว่าดูจิตแล้วไม่กวาดบ้านขี้เกียจนะกวาดบ้านไปแล้วก็ชอบคิดใช่ไหมเราก็กวาดอยู่คนเดียวคนทํารกมีหลายคนเนีย่ยจะไม่เหมือนกันนะพวกที่ชอบความสุขความสบายความสวยความงามนะกวาดบ้านแล้วมีความสุขแนละ้วบ้านสะอาดพอใจแล้วนี่พวกนี้ไม่คิดมาก เหมือนพวกที่ตีจริตคิดมากนะกวาดบ้านไปว่าคนอื่นไปในใจคนอื่นมาทำรกเราทำสะอาดอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ดีเราดีอะไรอย่างเงี้ยพวกนักคิดกวาดบ้านไปเราก็รู้ทันจิตไปนั่นแค่กวาดบ้านนะทำกรรมฐานดูไก่ก็ได้ดูจิตก็ได้ดูเวทนาอย่างได้เลยถ้าดูเวทนากวาดไปแล้วเห็นร่างกายมันกวาดนะเห็นแขนมันเมื่อย ความเมื่อยมันเกิดขึ้นมาความเมื่อยไม่ใช่แขนความเมื่อยไม่ใช่จิตจิตเป็นคนดูงั้นะเราหากรรมฐานสักอันหนึ่งนะที่เราถนัดคนไหนถนัดรู้กายนะก็เห็นกายมันทํางานในชีวิตประจำวันนี่แหละจิตเป็นคนดูอยู่คนไหนถนัดรู้เวทนานะมันจะเห็นทั้งกายเห็นทั้งเวทนาเห็นทั้งจิตคนไหนถนัดดูจิตก็เห็นจิตกับความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทางานทั้งวัน หัดรู้หัดดูไปอย่างนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปรู้ไปดูล้วนแต่สอนธรรมะอันเดียวกันทั้งสิ้นถต่ว่าดูกายเห็นอะไรดูกายเห็นกายหรือไม่ใช่ดูกายถ้าดูเป็นก็เห็นไตรลักษณ์ดูเวทนาเห็นอะไรเห็นเวทนาหรือก็ไม่ใช่นะดูเวทนาถ้าดูเป็นก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็ไม่ได้ว่าไปเห็นแต่ตัวจิตต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละ แต่จรินนีิสัยต่างกันก็ใช่อารมณ์กรรมฐานที่แตกต่างกันไปงั้นไม่ใช่กรรมฐานอย่างนี้ดีกรรมฐานอย่างนี้ไม่ดีนะกรรมฐานทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดเลยดีทั้งหมดแหละแต่ดีสําหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะเราจะไม่ว่าว่าคนนั้นปฏิบัติไม่เหมือนเราคนนี้ปฏิบัติไม่เหมือนเราใช้ไม่ได้ต้องวิธีของเราเท่านั้นถึงจะใช้ได้ถ้าเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเล ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอ น, นามากมายมหาศาลอย่างแค่ทาสมถะสมถะมีทั้งสี่สิบวิจีกรรมฐานสนะีสิบเป็นกรรมฐานสำหรับนักคิดนะอยู่สิบอย่างเรื่องอนุสติแล้วยังมีเรื่องการพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูล น, นี้ก็เหมาะกับพวกคิดมากอีกเหมือนกันนะกรรมฐานบางอย่างนะก็เหมาะกับพวกที่ภาคเพียรอดทนนะซ้แล้วซ้ำอีกดูไปเรื่อย พวกเพ่งกสินพวกนี้ไม่ได้คิดอะไรมากคิดมากทํากสินไม่สําเร็จอนะ่ะเช้าคุณนอถึงบอกกสินเป็นกรรมฐานของคนโง่คจริงไม่โง่อะไรนะคือพวกไม่อยากคิดนะ่ะเพ่งอย่างเดียวเลยเพ่งสบายคิดมากไม่สงบเลยอย่างเพ่งกสินนะสมมติเพ่งกสินสีแดงเอาเพ่งไปนะถ้าเป็นนักคิดโอ้สีเหมือนลิปสติกเลยนะ่ะไปนวนแล้วนะคิดถึงสาวคนนูน้นคิดถึงสา ว, คน น, น ค, สาวคนนี้ลืมกระสินไปแนละ้วเนี่ยพวกคิดมาก พวกไม่คิดมากโอ้สีนี้สวยใจจดจ่ออยู่กับสีนี้ไม่ไปที่อื่นมีความสุขมีความสงบก็ได้สมถะขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานไว้ตั้งเยอะแยะนะแค่สมถะนะพระรุ่นหลังท่านมารวมให้มาสี่สิบอย่างความจริงมีมากกว่าสี่สิบแต่ว่าสี่สิบนียรวมมาไว้เป็นตัวอย่างกรรมฐานพิเศษพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ก็มี่นะมีคนหนึ่งเป็นช่างทอง เป็นช่างทาทองไปบวชอยแล้วก็มาอยู่กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านก็พิณาเลยลูกศิษย์คนนี้เนี่เป็นช่างทองยังหนุ่มด้วยน่าจะราคะจริตราคะจริตเนี่ยต้องใช้กรรมฐานอะไรพิจารณาอสุภะเนี่ยท่านท่านคลิกตําราสอนเลยนะพระสารีบุตรนี่ขนาดสาวกอัครสาวกที่เลิศด้วยปัญญานะปรากฏว่าพระองคนี้ทนไม่ไหว มันน่าเกลียดเกินไปนะราคาจริตจริงนะแต่ให้ไปดูสุภาเนี่ยรุนแรงเกินไปใจขยะกขยงใจไม่รวมเลยไม่สงบเลยอยู่ไม่ไหวแล้วอาจารย์ให้ดูแต่ของไม่สวยนะก็คิดจะศึกเอินตอนจะไปศึกไ้เจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าถามเธอบวชอุทิศใครหมายถึงอยู่ในศาสนาของใครอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาภาษาริบุตรเนี่ย ภาษาลิบุตรสอนไม่ได้ทำไมไม่มาหาเราตาาคตรใชมไหมท่านใจดีนะท่านไม่ได้ว่าภาษาริบุตรนะท่านว่าพระองค์นี้แหละทำไมไม่มาหาท่านอาจารย์สอนไม่ได้ก็มาหาท่านสิพระองค์นี้ก็ยอมบวชต่อพระเจ้าให้ดอกบัวไปดอกคงจะเพิ่งกลับจาก บ, บินทบาดมานะได้ดอกบัวที่สวยมากเลยดอกบัวแดงสวยงามบอกนี่เอาดอกบัวนี้ไปนั่งดูเล่นไปนะ เอาไปปักไว้กับทรายนะไม่มีจักันเนี่ยไปปักทรายอยู่ข้างกุฏิแล้ว mm. ไปปักที่ร่มๆนะนั่งดูให้สบายใจท่านได้ดอกบัวสวยมาท่านไปปักโอ้มันแดงนะมันสวยนะหนึ่งจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนในประเทศเนี้ย <c oughs> <c oughs> สวย <c oughs> พอชอบแล้วกเกิดความสุขเกิดความสุขได้อะไรสอนไปเยอะๆยะได้สมาธิ ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเห็นไหมไปพิจารณาสุภาหาความสุขไม่ได้เลยสมาธิไม่เกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้จริตนะท่านสอนให้ดูดอกบัวแดงไม่อยู่ในกรรมฐานสี่สิบหรอกพระพุทธเจ้าท่านเทปกเป็นธรรมราชาธรรมะท่านเยอะพอท่านไปดูดอกบัวปักไปกับสายแดดมันออกนะค่อยๆส่ อ, อ, สองดอกบัวค่อยๆเหี่ยวท่านเห็นอะไร เห็นดอกบัวเหียวเห็นดอกบัวเหียวเดี๋ยวก็ต้องไปอยากได้ดอกบัวใหม่ท่านเห็นไตรลักษณ์นี่ดอกบัวที่สวยงามนี้นะตอนนี้ไม่เที่ยงสระดอกบัวที่สวยงามทนอยู่ไม่ได้แล้วเป็นทุกข์แล้วนะดอกบัวที่สวยงามเนี่ยสั่งมันไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจมันเป็นอนัตตาเนหะ็นไตรลักษณ์นี่ยทำอะไรทํำวิปัสสนาเหนไหม ท่านก็ได้เปลี่ยนพระรหัส น, นะเห็นไหมกรรมฐานกรรมฐานหลากหลายนะเหรอเนี่ยสุถ้าอาจารย์คนหนึ่งทําให้ดอกบัวเหลืองมาดอกบัวขาวมาเราจะไปบอกว่าไม่ได้ต้องดอกบัวแดงเท่านั้นนั่นโง่แล้วเห็นไหมใครเขาจะดูดอกอะไรก็ช่างเข้าไปเลยถ้าจริตนิสัยมันแตกต่างกนันก็ใช้กรรมฐานที่ต่างกันหรืออย่างพระจุลปันธากานะบวชไปอยู่กับพี่ชายพระมหาปันธากะ พระหาท่านปันทะกะเนี่ยแต่งบทชมพระพุทธเจ้าให้น้องชายให้จุลปันทกะท่องบทนิยาวมากเลยนะน้องชายท่องไม่ได้ท่องไม่ได้พี่ชายก็รู้สึก โ, โง่หรือกวนบทอย่างเงี้แค่สวดสรรเสริญพระพุทธเจ้ายังทําไม่ได้ศึกไปเถอะแบบเดียวกับองค์ตะเกียนะจะศึกไปเจอพระพุทธเจ้าพระพเจ้าให้ผ้าขาวไปผืนนะท่านนั่งขยี นัขยี้แล้วก็บริกรรมระโชหะรนังระชังหรติจําได้ไหมบทที่พุทธเจ้าให้นะฟังทีเดียวก็จําได้แนละ้วระโชหะรนังระชังหรติถ้าจําไม่ได้ทําไงก็ปเปลี่ยนบทสิพุโทโธพุโทโธจําได้ไหมอืมจะต่างอะไรกันเหมือนกันไหมขยีผ้าแไปผ้าที่ขาวแล้วค่อยๆดําท่านก็ดูผ้าเมื่อกี้ขาวตอนนี้ดํานะโสกบลก อันนี้เห็นปฏิกูลหมืออปลไม่เห็นปฏิกูลเห็นปฏิกูลทําอะไรเป็นสมถะหรือวิปัสนาอ่นะเป็นเป็นสมถะกรรมฐานไม่ใช่เป็นอสุภะเป็นเป็นปฏิกูลไม่สวยไม่งามอสุภะนี่ดูของตายปฏิกูลดูของยังไม่ทันจะตายก็สกโลกแล้วนะดูไปใจท่านสลดลงมานะใจก็สงบลงมานะพระพุทธเจ้าแสดงทำให้ฟังนิดเดียวนะมารู้พระละหัน แม้กรรมฐานแค่สมถะนะไม่ใช่มี40หรอกมีเยอะแยะเลยงั้นถ้าจะสรุปให้ถูกนะืสมถะกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์ใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้เช่นนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เรื่ออารมณ์บัญญัติใช้อารมณ์รูปนามก็ได้เพ่งไฟเพ่งน้ําเพ่งดินอะไรอย่างเงี้ยนะรู้ลมหายใจนี่รู้อารมณ์รูปนามหรือดูความรู้สึก เป็นอารมณ์รูปนามตูกิเลสเป็นอารมณ์รูปนามเพ่งได้ไหมทําให้เกิดสมถะโกรธขึ้นมาเพ่งเข้าไปที่ความโกรธความโกรธดับเลยดับเพราะเพ่งก็เป็นสมถะใช่อารมณ์นิพพานก็ได้นั้นสมถะไม่เลือกอารมณ์นะแต่พวกเราเอานิพพานมาเป็นอารมณ์ของสมถะไม่ได้เพราะเราไม่เห็นนิพพานลาระดียาเนี่ยท่านจะเห็นนิพพานถ้าบางองค์ท่านชํานาญอย่างพระลรหรันท่านชํานาญในนิพพาน ท่านมานาัสิกานท่านนึกถึงนะท่านก็เห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่ตาถ้าพระโสดาพระสักทาคาอะไรยังไม่ชํานาญนิพพานนะท่านก็มาดูรูปนามก่อนมาดูกายดูใจนะพอจิตมันวางกายวางใจไปก็ไปเห็นนิพพานจิตก็อยู่กับ น, นิพพานก็เป็นสมถะกรรมฐานแม้สมถะไม่ใช่มีแค่กรรมฐาน40นะในความเป็นจริงแล้วไม่เลือกอารมณ์เลยอะไรก็ได้ถ้าใจมันชอบเคล็ดอยู่ที่ใจมันชอบ ใจมันชอบอารมณ์อะไรใจก็สงบอยู่กับอารมณ์ม น, มนั้นหลักมีแค่นี้เองงั้นถ้าเรียนกับหลวงพ่อนะั้นไม่ต้องทะเลาะ ก, กันว่ากรรมฐานอะไรดีกว่าอะไรถ้าจะทําทสมถะกรรมฐานเนี่ยเลือกดูอารมณ์อะไรที่ใจเราชอบแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสถ้าใจเราชอบเราก็ขยันรู้อยู่ในอารมณ์เดียวต่อเนื่องไปใจก็สงบได้สมถะละแม้เราไม่ต้องทะเลาะ ก, กับใครเลยไม่ใช่ว่าพุโทโธดีหรือสัมมาระหังดี หรือรู้ลมหายใจดีหรือว่าพองยุบดีดีด้วยกันหมดอะอยู่ที่ว่ามันดีของใครดีสําหรับเราอาจจะไม่ใช่ดีสําหรับคนอื่นนะงั้นอย่ายัดเยียดบางคนภาวนาแล้วชอบยัดเยียดนะต้องอย่างวิธีชั้นเท่านั้นถึงจะใช้ได้อันนี้ภาวนาไม่เป็นหรอกถ้ารู้หลักของการภาวนาไม่เป็นอย่างนั้นนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านรู้เยอะใช่ไหมท่านเข้าใจท่านสอนได้กว้างขวางมากเลย เรางู่ดูเนี่ยความแตกฉานท่านมากท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะบางคนสอนทําสมถะนะท่านให้ดูผมเส้นเดียวบางคนให้ดูกระดูกบางคนให้ท่องพุโทโธบางคนให้ประคองจิตให้นิ่งความคิดเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งอนะไรนี่แต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่ที่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ชั้นเลิศท่านบอกเราได้ว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรทําอย่างนี้แล้วจิตจะสงบทําอย่างนี้แล้วจิตจะมีปัญญาท่านบอกได้ ถ้าไม่มีเราต้องใช้โยนิสโสมนัสิการนะช่วยตัวเองแยบคลข้างสังเกตเาสังเกตดูว่าจิตเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมันมีความสุขแล้วไม่ยั่วกิเลส ด, ด้วยนะจิตมันจะมีสมาธิขึ้นได้ง่ายๆอย่าไปเข้นจิตให้เกิดสมาธิบางคนอยากทำสมาธิาไปบังคับจิตให้สงบจิตไม่สงบ่จิตไม่ชอบให้ใครบังคับนะต้องสบายต้องมีความสุขนะนี่เรื่องของสมร t เพื่ออารมณ์ที่มีความสุข อารมณ์อะไรก็ได้ไม่เลือกหรอกว่าจะเป็นอารมณ์บัญญัติอารมณ์รูปนามหรืออารมณ์นิพพานขอให้มีความสุขก็จะสงบสงบเพื่ออะไรเพื่อให้มีเรี่ยวมีแรงจิตใจมีเรี่ยวมีแรงต้องมาเดินปัญญาต่อนะจะสงบอยู่เรื่อยๆไปใช้ไม่ได้นะเหลวไหลที่สุดเลยไม่ใช่ชาวพุทธที่ดนะีเหมือนพระเทเจ้านะเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วไปอยู่กับฤาษี ไปหัดนั่งสมาธิเจวันเท่าได้เนวสัญญาณาสัญญายตนะจบหลักสูตรอรุสี ส, สงบสงบนิ่งอยู่งั้ น, นพอออกมาจากสงบในกิเลสมาใหม่ถ้านเลยรู้ว่าไม่ใช่ทางครั้นี้มาถึงมิปัสสนานะมิปัสสนาเนี่จํากัดอารมณ์สมาธิไม่จากัดอารมณ์อารมณ์อะไรก็ได้บัญญัติคิดขึ้นมาก็ได้มิปัสสน า, านี่ต้องรู้อารมณ์รูปนามต้องรู้กายรู้ใจรู้สิ่งซึ่งมันรวมกันเป็นตัวเรา นะมีอยู่จริงๆด้วยไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นลอยๆในอากาศนะพูดง่ายๆคอยรู้กายรู้ใจรู้รู้เวทนาก็ได้นะท่านสอนไว้ในสติปัฏฐานในสติปัฏฐานเนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นวิปัสสนานะแต่ว่าบางส่วนมีสมถะเจือปนอย่างการพาิจารณาเรื่องปฏิกูลนะอาหารปฏิกูลเรื่องอะไรพวกนี้อันนะั้นเป็นสมถะหรืออนาปนาสติเนะี่เป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา การดูจิตส่วนใหญ่นะเป็นวิปัสนาแต่จิตบางดวงถ้าดูไม่ดีจะกลายเป็นสมถะคือจิตที่ไปรู้ช่องว่างกับจิตที่ไปรู้ความไม่มีอะไรเลยถ้าดูแล้วจะเพ่งง่ายกลายไปเพ่งความว่างๆไปกลายเป็นสมถะไปเราต้องดูรูปนามนะดูของจริงไม่ได้ไปเพ่งต้องรู้อย่างที่เขาเป็นหลวงพ่อสรุปออกมาว่าให้มีสติ รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเราจะเจริญปัญญาเราจะทำวิปัสสนาได้เนี่ยเราต้องมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่ตัวหนึ่งนะอันที่สองมีสติแล้วเราต้องมาพัฒนาเครื่องมือสองตัวนี้ขึ้นก่อนที่จะเจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสสนาสติเป็นความระลึกได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายสติเป็นความระลึกได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเป็นตัวรู้ทันเหมือนยาม อะไรแตะปลอมเข้ามานะยามรู้หมดเลยแต่ยามไม่มีหน้าที่ตัดสินว่าดีไม่ดีถูกไม่ถูกนะยามไม่มีหน้าที่ตัดสินตัวที่หน้าที่ตัดสินเป็นตัวปัญญายามมีหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเพราะงั้นเรามีสตินะสติทําหน้าที่แค่รู้อะไรเกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจรู้สึกอะไรบ้างที่เกิดในร่างกายร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้สึก ร่างกายเหลียวซ้ายแลกขวาร่างกายหยุดนิ่งร่างกายกู้ร่างกายเหยียดรู้สึกเนี่ยู้อยู่ในร่างกายหรือร่างกายมีความสุขเกิดขึ้นถ้าดูให้ดีจะไม่ใช่ร่างกายมีความสุขแต่จะเห็นว่ามีความสุขแอบเข้ามาอยู่ในร่างกายมีความทุกข์แอบเข้ามาอยู่ในร่างกายเนี่ยราจะมีสติรู้ทันนะนั่งไปนานๆมันปวดขึ้นมาเห็นความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาเรียกว่ามีสติอย่างนี้ หรือจิตนะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์จิตเป็นสุขขึ้นมารู้ทันก็เรียกว่ามีสติจิตเป็นทุกข์ขึ้นมารู้ทันก็เรียกมีสติจิตเฉยๆขึ้นมารู้ทันก็เรียกมีสติจิตมีความศรัทธามีวิริยะมีสติมีปัญญาขึ้นมารู้ทันก็ใช้ได้จิตมีราคะโทสะโมหะขึ้นมาารู้ทันนี่ก็เรียกว่ามีสติใช้ได้ หัดรู้บ่อยๆอะไรเกิดขึ้นในร่างกายรู้บ่อยๆอะไรเกิดขึ้นในจิตรู้บ่อยๆแล้วสติอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเราต้องฝึกจนได้สติอัตโนมัตินะงั้นตอนการที่เราหัดทําในรูปแบบเนี่ยนอกจากจะฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมถะมีความสุขแล้วนะถ้าจิตสงบพอสมควรมีความสุขพอสมควรแล้วนะหัดสังเกตสภาวะไปตอนที่เราทําในรูปแบบครั้งละสิบนาทีอะไรที่ว่านี้แหละ หัดสังเกตสภาวะไปเช่นนั่งไปแล้วจิตมีความสุขขึ้นมาก็รู้จิตเฉยๆก็รู้จิตทุกข์ขึ้นมาก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหนักก็รู้จิตเบาก็รู้หัดรู้ไปด้วยการที่เราหัดรู้บ่อยๆนะหรือนั่งไปแล้วร่างกายสบายก็รู้ร่างกายปวดร่างกายเมื่อยก็รู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็รู้อาศัยการทําในรูปแบบนั้นแหละมาเป็นตัวฝึกซ้อมสติพอเราฝึกซ้อมทุกวันทุกวันนะต่อไป อะไรแปลกปลอมขึ้นในกายนิดเดียวก็เห็นแลอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนะนิดเดียวก็เห็นล้มันเห็นอัตโนมัติขึ้นมาเห็นโดยไม่เจตนาจะเห็นรู้โดยไม่เจตนาจะรู้เรียกว่าสติเกิดขึ้นละสติตัวแท้ๆเลยสติอัตโนมัติเลยต้องฝึกให้ได้สติอัตโนมัตินะถ้ายังมีสติที่ต้องจงใจให้เกิดคอยควบคุมให้เกิดเนี่ยยังไม่เกิดอริยมรรคแน่นอนเลยพราะตอนที่อริยมรรคเกิดนะสติอัตโนมัติ สมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัตินะแล้วอัตโนมัติลงในจุดจุดเดียวกันลงที่จิตอันเดียวกันทุกอย่างรวมลงที่จิตหมดเลยตอนนั้นแหละสมาธิบริบูรณ์สมาธิก็รวมลงที่จิตแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกุศลรวมลงที่จิตอันเดียวเลยในขั้นจะเกิดอริยมรรคทุกๆขั้นเลยตั้งแต่โสดาปติมรรคนะเกิดที่จิตไม่ได้ไปเกิดที่กายไม่ได้ไปเกิดที่เวทนาไม่ได้ไปเกิดที่สังขารที่เป็นกุศลอกุศลนะเกิดลงที่จิตจริงๆ เนี่ยตรงนั้นเราต้องมันสติอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะรู้จิตนะมันรู้เองสมาธิก็อัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้จิตสงบให้จิตรวมมันรวมของมันเองปัญญาก็อัตโนมัตินะไม่ได้พิจารณาอะไรเลยแต่มันเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับอยู่ภายในจิตเห็นเองเนี่ยก่อนที่จะอัตโนมัติก็ต้องฝึกซะก่อนต้องมาฝึกให้มีสติอัตโนมัติโดยการซ้อมรู้ทุกวันทุกวันทาในรูปแบบอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละ แต่พอจิตสงบจิตสบายแล้วอย่าอยู่แต่ความสุขความสบายมาหัดรู้สภาวะไปเช่น<ง ern>สบายขึ้นมารู้ว่าสบายเมื่อกี้ไม่สบายตอนนี้สบายสบายไปพอเรารู้ทันนมันก็กลายเป็นเฉยเฉยสบายหายไปฉยเฉยเฉยเกิดขึ้นนี่ก็คอยรู้ทันว่าจิตมันเฉยเฉยแล้วจิตเป็นกุศลบ้างไปหนักกุศลบ้างหนีไปคิดบ้างจิตหนีไปคิดจิตฟุ้งซ่านทีก็จิตโหดหูนะจิตมันเป็นไงรู้หัดรู้สภาวะไปเรื่อยตอนที่ทําในรูปแบบแล้วหัดรู้สภาวะ ของกายของใจแล้วแต่แต่ละคนนะคนไหนถนัดรู้สภาวะของกายก็รู้ไปคนไหนถนัดรู้สภาวะของจิตใจก็รู้ไปรู้ไปเรื่อยแต่ไปสติมันอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้เองเช่นกำลังเผลออยู่นะ <c oughs> เกิดขยับตัว <c oughs> ปับ๊บพอขยับตัวปับ๊บสติเกิดเองเลยรู้ตัวขึ้นมาเมื่อกี้เผลอไปแล้วนะหรือกาลังดีใจอยู่นะ <c oughs> ด, ดีใจพอความดีใจผุดปับ๊บขึ้นมา เมื่อกี้มันเฉยๆนะตอนนี้มีความดีใจผุดแป๊บขึ้นมานะมันเห็นนความดีใจผุดขึ้นมานี่สติอัตโนมัติมันเกิดไม่ได้เจตนาจะรู้เลยนะมันรู้เองถ้าเจตนาจะรู้ใช้ไม่ได้หรอกจิตจะแข็งกระด้างเนึ้อออกไหมเวลาที่เราเจตนาดูจิตนะจิตจะแข็งทื่อๆเนึ้ออกไหมอ้าวและต่อไปนี้ดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูนิ่งๆทื่อๆซื่ อ, อ, อื่นสาะอือทั้งนั้นเลยซื่อื่นทื่อๆแล้วพวกนี้แถมด้วยดื้อ ดื้อๆนะดื้อที่สุดเลยถ้าติดตัวนี้นะกูติดแล้วกูไม่เอาแล้วในโลกนี้กูจะนิ่งอยู่อย่างนี้แหละนี่นําวิธีฝึกให้เกิดสติอัตโนมัตินะหัดรู้สภาวะไปได้แล้วสติอัตโนมัติจะเกิดนะรู้ได้ไงว่าสติอัตโนมัติเกิดเช่นขับรถอยู่นะใจลอยไปรถกว่ําถกว่ำสติอัตโนมัติเกิดเลยนะจิตมันจะเป็นคนดูนะมันเห็นเลย ตัวเองกลิ้งไปทางไหนนี่เห็นหมดเลยนะเห็นเหมือนเห็ น, หนตัวการ์ตูนอะฟลิกเป็นช็อตช็อตช็อตช็อติปคลิจะเห็นนะเนี่ยหัวก็เริ่จะโขกแล้วหลบซะหน่อยนั่นทำได้นะสติมันเร็วขึ้นมาเนี่ยสติมานอัตโนมัตินะฝึกไปเครื่องมืออีกตัวหนึ่งก็คือความตั้งมั่นของจิตที่หลวงพ่อบอกถ้าจ ะ, จะเจริญวิปนะัสสนาแะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง จิตที่ตั้งมั่นไละเป็นกลางเป็นจิตที่ต้องฝึกให้เกิดขึ้นคนทั่วไปไม่มีคนทั่วไปมีแต่จิตที่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดก็มีจิตที่ไปเพ่งอยู่ในโรมันดอันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะบารมีแก่กล้าบารมีท่านมากตอนท่านเด็กๆอายุนิดเดียวนะอยยุไม่มากมีงานแลกนาพี่เลี้ยงก็อุ้มไปนะไว้ใต้ต้นไม้เนี่ย เจ้าสมัยโบราณนะไม่ได้หรูหราอะไรหรอกนะพาเจ้าชายไปอยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้แล้วพวกพี่เลี้ยงนะหนีไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนาเจ้าสุดโททนะสุดโททนะว่านะข้าวที่บริสุทธิ์ตระกูลศักยะเนี่ยตระกูลทำนางั้นเป็นชาวนาพระเจ้าแผ่นดินไปไถนานะพี่เลี้ยงของเจ้าชายสิทธิถาไปดูเขาไถนาไปดูเจ้าไถนาเจ้าชายอยู่องค์เดียวะ ของเก่าท่านเคยทำนะท่านก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิแต่ไม่ได้นั่งเอาสงบท่านนั่งหายใจด้วยความรู้สึกตัวนะหายใจด้วยความรู้สึกตัวจิตท่านตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอจิตท่านตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วท่านยังไม่รู้วิธีที่จะเดินต่อพอดีพี่เลี้ยงกลับมาก็เลยลืมกรรมฐานนี้ไปอีกลืมไปวันที่จะออกบวชออกไปก็ลืมกรรมฐานเดิมของตัวเองนะ ไปหัดเข้าสมาธิกะลือศีเข้าสมาธิลึกแปเข้าสมาธิแบบลืมเนื้อลืมตัวลืมโลกไปเลยโลกกระธาดับไปเลยร่างกายก็หายไปโลกก็หายไปอะไรหายไปหมดเลยความรู้สึกก็แทบจะดับริบรีบริบหรีรรนะถึงเนวสัญญานะจะว่ามีจิตอยู่ก็เหมือนกับไม่มีนะแต่มนะีความรู้สึกเนี่ยแทบไม่มีเหลือแลนะท่านก็พบว่ามันไม่ใช่ทางนะตอนที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยท่านก็นึกขึ้นได้ถึงกรรมฐานเดิมที่ท่านเคยทํา นั่นแหละจิตดวงนั้นแหละคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน่ะท่านทํำยังไงท่านนั่งหายใจไปพอท่านหายใจไปนะลมหายใจค่อยสงบประนีดลมหายใจสงบประณีดนะค่อยสั้นลงสั้นลงงั้นในประสูตรเนี่ยจะเริ่มต้นบอกหายใจยาวรู้ว่าหายใจยาวใช่ไหมหายใจสั้นรู้ว่าหายใจสั้นตอนหลวงพอเด็กๆจะงงทําไมไม่หายใจสั้นก่อนแล้วพอจิตสงบแล้วมันหายใจยาวรู้สึกอย่างนี้ไหม เนี่ยพอหายใจพอสงบนะีหายใจนานมากเลยหายใจยาวความจริงสั้นตรงไหนสั้นที่นี่มันรวมลงมาที่จุดเล็กๆจุดเดียวเอง mm hmm. ลมมันจะตื้นตื้นตื้นตื้นขึ้นนะมาอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวแสงสว่างก็เกิดขึ้นนะตอนที่เรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะตัวนี้มีชื่อเฉพาะเรียกว่าลมหายใจนี้เป็นบริกรรมนิมิตนะเป็นนิมิตเบื้องต้นเลยบริกรรมนิมิตนะพอจิตมันค่อยสงบขึ้นมานะลมมันตื้นตื้ น, ต, นตื้นขึ้นนะ ลมมาหยุดอยู่ในจุดเดียวกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาตรงแสงสว่างนี่เรียกว่าอุบคะหานิมิตนะทิ้งบริกรรมนิมิตไปไม่ต้องไปกลับไปหาลมหายใจอีกนะพอหายใจจนสว่างขึ้นมาแนละ้วไม่ต้องไปหาลมอีกก็รู้ความสว่างไปนะกลายเป็นปฏิภาคย่อดได้ขยายได้นะจิตมีปีติมีความสุขขึ้นมานท่านก็เดินมาอย่างเนี้ท่านมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นนะท่านยังไม่ขาดสติท่านมีสติอยู่นะต่างกับเข้าสมาธิเหลวไหลนะนั่งแล้วขาดสติ นี่ท่านมีสติตลอดนะในที่สุดพอท่านเห็นเลยจิตมันยังตรึกมันยังตรองอยู่ในดวงนิมิตนะพอเห็นวิตกวิจารณในดวงนิมิตนะจิตวางวิตกวิจารณนะ์จิตมีแต่ปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่เมื่อเมื่อไม่ตรึกไม่ตรองในอารมณ์เนี่ยธาตุรู้ตัวรู้จะโผล่ขึ้นมาเอโกทิภาวะก็ผุดขึ้นมาฉะนั้นตัวรู้เนี่ยเกิดขึ้นในทุติยฌานในฌานที่สองอันนี้สําหรับคนทําฌานนะ ถ้าทํสามสี่ขึ้นไปอีกนะก็ตัวรู้ก็เด่นดวงอยู่พอ ถ, ถึงอรูปฌปานเนี้ยตัวรู้นี่เด่นเลยจะไม่เหมือนของฤาษีละตัวรู้เนี้ยจะเด่นดวงอยู่โลกธาตุดับหมดนะแต่ไม่ขาดสตินะยไม่ขาดสติเลยออกจากสมาธิมาแนละ้วตัวรู้จะเด่นอยู่อีกแต่ไม่เกิน7วันนะจะเสื่อมของเสื่อมนะยังเป็นของที่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอกอ ย, อย่างมากก็7วันนะ นี่ถ้าพวกเราทำฌานไม่ได้เราจะสร้างตัวรู้ได้ไหมสร้างได้ตัวรู้เนี่ยเราต้องรู้ทันนะตัวรู้เนี่ยกลับข้างกับตัวคิตเมื่อไรรู้เมื่อนั้นไม่คิดเมื่อไรคิดเมื่อนั้นไม่รู้นะงั้นเราคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดนั่งในรูปแบบของเรานี้แหละแทนที่จะนั่งแล้วก็ฝึกให้จิตสงบอยู่ในรมันเดียวนะเรามานั่งนะคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตนีไปคิดเรารู้จิตนีไปคิดเรารู้ หรือจิตหนีไปเพ่งเคลื่อนไปเพ่งตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนเนี่ยจิตจะไม่เคลื่อนเนราะฉนั้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่จะตั้งอยู่ไม่นา น, นะจะตั้งได้เป็นขณะขณะไปเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ตั้งเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ตั้งจะไม่อยู่เป็นวันๆอย่างพวกที่เขาผ่านชานมาอย่างนี้สมาธิเราก็มีเหมือนกันเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิีเป็นขณะขณะไปได้แป๊บๆดีกว่าไม่มีแต่อย่าดูถูกนะสมาธิแป๊บๆนี่แหละเกิดพระรหัตมากกว่าสมาธิเข้าชานอีก พระระหันส่วนใหญ่เป็นพระหารสุขวิปสัสสะไม่ชำนาญในเรื่องชานพระระหันส่วนใหญ่คือคนอย่างพวกเรานี่แหละแต่เดิมก็ลอยถ้วยพอๆกับเรานี่แหละฟุ้งส่านพอๆกับพวกเรานี่แหละเข้าชานไม่เป็นอย่างพวกเรานี่แหละแต่ท่านมท่านทำได้ท่านอาศัยความรู้สึกตัวเป็นขณะขณะนะเป็นขณะขณะใช้คณิกะสมาธินิง่งั้นพวกเราอยา่าดูถูกคณิกาสมาธินะจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้ฝึกรู้บ่อย นะตรงที่จิตไหลไปแล้วเรารู้ทันนะนะเราจะมีจิตที่มีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้ถ้าเราทําได้บ่อยชํชนานนะิชํานาญจิตผู้รู้นี่จะอยู่นานขึ้นนานขึ้นนะคือมันเกิดต่อนเนื่องขึ้นเกิดได้ทีทเกิดได้บ่อยๆมันจะรู้สึกเหมือนเรารู้ตัวอยู่ได้ทั้งวันในต่อไปนะแต่บางทีก็หายไปอีก3วันนะบางทีกลับมาอีกวันหนึ่งแล้วหายไปอีก2วันใครเคยเป็นไหมบางช่วงนะเหมือนกับอู้รู้ตัวทั้งวันเลย บางช่วงหายไปไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยเราสมาธิเรามันอย่างนี้แหละนะแบบยากจนหน่อยนะแต่ก็ไปได้นะขอให้มีก็แล้วกันแล้วนะทุกวันฝึกในรูปแบบแนละ้วจิตไหลไปเรารู้จิตไหลเรารู้นะนะเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอเรามีสติอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตรู้สึกมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่เรามีเครื่องมือที่จะทําวิปัสสนาละถ้าไม่มี คู่นี้ทำมิปัสนาไม่ได้ถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดปัญญาไม่ได้เพราะจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาในตําราเขาบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่สมาธิแปลว่าอะไรสมาธิแปลความตั้งมั่นเราชอบไปแปลสมาธิว่าสงบนะคิดว่าสงบแล้วเกิดปัญญาคนละเรื่องคนละโลกกันเลยสงบแล้วไม่เกิดปัญญาหรอกสงบแล้วขี้เกียจขี้คลานนะ เอาไว้พักถ่อนเกิดเรี่ยวเกิดแรงพอมีแรงมากมากก็นะถอยออกจากสมาธิเอาแรงไปทําความชั่วได้โยกว่าคนอื่นคนเสียิ่ง น, นะอย่างเทวทัตห่อได้เลยนะห่อไปห่อมาก็ห่อไม่ขึ้นตอนหลังต้อให้คนเขาหามมาเฝ้าพระเจ้านะหามต้องแต่งต้องแต่งมากนี่เรามาฝึกนะเรามาฝึกทุกวันทําในรูปแบบวันไหนมันฟุ้งซ่านเราก็ทํารูปแบบให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตก็สงบไป ได้สมถะสบายได้เรียวได้แรงนะวันไหนมีเร่็วมีแรงแล้วนะมาฝึกสตนะิอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตรู้สึกนี่เรียกฝึกสติแล้วนะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในจิตสติเกิดเองอีกอันหนึ่งก็มาฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปเห็นไม้มทาในรูปแบบที่หลวงพ่อพูดนะมันคลุมการปฏิบัติทั้ง3อย่างเลยคลุมอะไร อันแรกเลยทำให้เกิดสมาธิได้เกิดความสงบขึ้นอันที่สองทำให้มีสติอันที่สามทำให้เกิดสมาธิจิตตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปรู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเพราะจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่โอนเอ็นไม่ไหลไปเนี่ยตั้งรู้ตัวอยู่แต่ไม่ตั้งโดเดข็งทื่อนะถ้าต <your mind. S 2> ั้งโดเดกังทื่อไม่ใช่หรอกของปลอมเอาแค่ว่ารู้ว่าจิตหนีไปคิดเนี่ย จิตจะรู้ตัวตั้งมั่นถูกต้องพอดีพอดีนะแต่ถ้ากลัวจิตจะไหลไปคิดบังคับจิตไว้จิตจะตั้งแข็งแข็งอันนั้นใช้ไม่ได้จิตจะแข็งเกินไปไม่เกิดปัญญาแน่นอนเลยทื่อๆนะงั้นทุกวันนะทำในรูปแบบนะเนี่ยสินาทีทําได้ตั้ง3แบบเนะี่ยจะเอาอะไรนะนะตอนหลังนั้นมันจะเพิ่มเองเพราะทำแล้วมันมีความสุขนะสินาทีไม่พอเนี่ยอยากจะเยอะกว่านั้นอยากเองหลวงพ่อไม่ต้องขอร้องต่อไป ขั้นต้นะต้องขอร้องก่อนขอตั้งหนาที10นาทีก่อนนะพออินทรีย์ของเราแก่กล้าแล้วเราทําของเราเองไม่ต้องให้หลวงพ่อเรียกร้องมันเพิ่มเวลาเองนะมันนั่งรู้สึกตัวแหมมันมีความสุขดีกว่าดูทีวีดูทีวีมีแต่กิเลสมีไหมกิเล ด, ดูแล้วเกิดอะไรบ้างเกิดราคะใช่ไหมเห็นในโน้นในนี่อยากได้เกิดโทสะใช่ไหมดูข่าวการเมืองเกิดกุศลไหม หายากนะดูข่าวการเมืองให้เกิดกุศลนะดูให้เป็นกุศลได้ไหมได้โลกนี้เป็นอย่างนี้แหละมันอยู่ที่เราดูต่างหากอนะ่ะกุศลอนะกุศลไม่ได้โผล่มาจากโทรทัศน์หรอกอยู่จากใจเรานี่เองดูไปสิโอเป็นนายกหน้าสงสารนาะอยู่ดีไม่ว่าดีลำบากไม่นานก็แก่เหี่ยวออนายกเหี่ยวทุกคนอนะ่ะแก่นะเนี่ยถ้าดูจิตเป็นกุศลนะเกิดเมตตาเกิดอะไรเงี้ย เป็นกุศลก็ได้นะส่วนมากเราดูไม่เป็นเราจะดูแต่อกุศลนะนะถ้าทําเป็นนะอะไรๆดูอะไรมันเมตตานะมีกุศลแล้นพวกเราฝึกนะทุกวันฝึกในรูปแบบได้สมเวลายิ่งดีนะตื่นนอนให้ไวขึ้นนิดหนึงสักสินาทีมาลองปฏิบัติกลางวันกินข้าวแล้วมาลองปฏิบัติสัหน่อยนะกลางคืนเย็นๆกลับบ้านอาบน้ำอาบผ้าสบายใจแล้วปฏิบัติสัหน่อยอย่ารอปฏิบัติตอนง่วง ประเภทสมสารไปทำอะไรจนดึกนะแล้วค่อยปฏิบัตินะไม่ค่อยได้ผลเห็นไ ด, ได้ผลได้คุณมาลีอยู่นี่แหละหาเวลาอื่นไม่ได้อดทนจริงๆเลยเหนื่อยง่วงไงก็ทำไม่เลิกต้องอย่างนี้ถึงจะดีะเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดๆๆดีดีด้ายคอยรู้ทัน นะรู้เฉยๆอย่าเข้าไปห้ามอย่าไปแทรกแซงแค่สักว่ารู้สักว่าเห็นไปนะแค่นั้นแหละถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยก็คือปฏิบัติได้ทั้งวันนะนะถึงเวลาก็ทำในรูปแบบ10บนาทีเท่านั้นนะแต่ว่าได้เวาลาสามรอบก็ดีนะมันก็กข้าไปเข้าไป30แล้วเห็นไหมแนะต่ไปชำนิชานานขึ้นนะอรอบละครึ่งชั่วโมงปาเข้าไปชั่วโมงครึงนะ่งแล้ว เวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจําวันนะในรูปแบบทําไปวันไหนฟุ้งซ่านทําให้สงบฟุ้งซ่านมากไม่ต้องไปดูรูปดูนามอะไรหรอกนะสติก็ไม่มีแล้วสมาธิก็ไม่มีอะไรก็ไม่มนะีก็อยู่กับอารมณ์มันเดียวไปให้มันสบายใจใจิตก็สงบเข้ามานะวันไหนจิตสงบแล้วก็หัดจเจริญสติจิตหนีไปคิดรู้ทันนี่จะได้สมาธิ นะถ้าจิตมีความสุขจิตมีความทุกข์จิตเป็นอย่างน้อนจิตเป็นอย่างนี้นะจิตเป็นกุศลนะกุศลร่างกายเป็นสุขร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้ไปด้วยจะได้สตินะจะได้สติแต่ในความเป็นจริงแล้วตรงที่จิตหนีไปคิดตรวรู้ทันนะมันได้ควบจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธินะเพราะฉะนั้นคนไหนจะเรียกฉลาดก็ไม่ดีเหมือนว่าคนอื่นงโง่เจ้าเล่ห์หน่อยก็แล้วกันนะ รวบเลยคอยนั่งไปแล้วก็รู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะจิตหนีไปคิดก็คือจิตฟรรุ้งซ่านจิตฟรรุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟรรุ้งซ่านนี่คือสตินะแต่ถ้าจิตฟรรุ้งซ่านเรารู้ว่าฟรรุ้งซ่านความฟรรุ้งซ่านดับก็ได้สมาธิขึ้นมาไม่ฟรรุ้งซ่านเห็นไหมงั้นตัวนี้ดีที่สุดเลยถ้ารู้ทันจิตที่ไปคิดนี่หน่อยนะนะงั้นทําในรูปแบบนะถ้าย่อลงมาหรือสองอันก็ได้แต่สองอันต้องรู้จักนะเลือกนะอันหนึ่งก็คือน้อมจิตไปให้สงบ อยู่ในอารมณ์ที่สบายแล้วสงบพอสงบแล้วนะคอยรู้ทันจิต ท, ที่หลงไปคิดนะจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธินะเป็นวิธีฝึกที่ง่ายที่สุดเลยนะแต่ประณีตนะประณีตจิตนี่นมันมีคิดทั้งวันรู้หรออไม่ออไหลวงพ่อจะหยุดพูด10บวินาทีดูซิจะคิดกี่เรื่องเอาแค่นี้พอใครได้3มเรื่องบ้างมีไหมนี่ใครหนึ่งเรื่องคิดเรื่องเดียว คิดเรื่องเดียวคือนับมันไหมคอยนับไหมคิดอยู่เรื่องเดียวคิดจะนับบางคนอะคิดตั้งห้าหเรื่องนะในเวลาห้าวินาทีพวกเราคอยฝึกนะถ้าฝึกได้ทําในรูปแบบไปนะได้ทั้งความสงบได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเสร็จแล้วก็มาเจริญสติในชีวิตประจํำวันนี่แหละอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกนี่สติเป็นคนรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตรู้สึกนี่สติเป็นคนรู้สึก แต่รู้สึกด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตที่ตั้งมั่นเป็นู้รู้คนดูไม่หลงไปไม่อินไปไม่ไหลไปนในโลกของความคิดถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็ใช้เวลาไม่นานหรอกเจดวันเจดเดือนเจปีนะต้องได้อะไรสักอย่างหละอย่างน้อยก็ได้ทำแหลนะได้ทำดีกว่าไม่ได้ทำนะนะส่วนว่าอินรีพวกเราอ่อนอ่อนมากๆเลยแต่ว่าเราทำนะอ่ะเราไปอินรีเราก็เข้มแข็ง สมมว่าชาตินี้เราไม่จบนะก็าะอาจจะได้โสดาหรือชาตินี้ไม่ได้โสดาเราก็มีเชื้อที่จะภาวนาต่อไปเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะมีเชื้อตอนเล็กๆไปนั่งใต้ต้นไม้ทำไมตัวรู้ขุดขึ้นมานันคือจิตที่ตั้งมั่นผุดขึ้นมาจิตที่มีสติมีสมาธิขุดขึ้นมานะแล้วพอถึงเวลาที่ท่านจะมาเดินปัญญานะท่านมาเดินง่ายงั้นถ้าพวกเรายอมลำบากตั้งแต่วันนี้นะาเพลี่ยนอดทน แบ่งเวลาให้กับชีวิตตัวเองวันละ10นาทีเวลาที่เหลือมีสติเท่าที่จะมีได้แต่มีบ่อยหน่อยหาข้ออ้างให้น้อยหน่อยเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเนี่ยเจริญสติไม่ได้เวลาเราทำงานที่คิดเนี่ยก็ตั้งใจทำงานไปมีสติอยู่กับงานไม่ใช่มีสติอยู่ที่กายที่ใจนั่นไม่ใช่สติปัฏฐานละมีสติอยู่กับงานมีสมาธิอยู่กับงานไม่ใช่มีสติอยู่มีสมาธิอยู่กับตัวเอง แต่สมาธิไปจดจ่อการงานเป็นสมาธิออกนอกสติออกนอกนะก็ทํางานทางโลกได้ดีทําได้เร็วนะทำได้แม่นยำํำนะคุณภาพงานสูงนะแล้วถ้าทําไปแล้วขี้เกียจขึ้นมาอนียขี้เกียจไม่ใช่งานแล้วมีสติรู้ทันเข้าไปความขี้เกียจหายไปนะจิตตั้งมั่นจดจ่อในการทํางานต่อไปอีกความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ทันนะความฟุ้งซ่านหายไปก็มีสมาธิในการทํางานต่อไปอีกนะแล้วงานการของเราก็จะดีนะ ดีเรียกว่าทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีด้วยนะทำได้นะไม่ใช่ทําไม่ได้คารวะนี่แหละทําได้คารวะในขั้นโสดาสกถาขาคารวะไม่แพ้พระนะไม่แพ้พระหรอกถ้ารู้หลักแต่นะพระเอาแต่นั่งสมาธิไปเรื่อยก็ไม่ได้อะไรเท่าไหรไ่ได้แต่สงบของเราเนี่ยจิตกระทบอารมณ์แขว่งทั้งวันเลยนะแกว่งแล้วเราแขว่งแบบมีหลักนะเราเห็นเลยจิตมันแขว่งใจเป็นคนดูเนี่ยดูสิมันจะไม่ได้ธรรมะให้มันรู้ไป ให้มันรู้ไปว่าไม่ไดนะ้เดี๋ยวต่อไปก็ได้เองแหละนะอย่าทอถอยนะโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีไม่มากธรรมะที่อยู่ในศาสนาพุทธทุกวันนี้นะที่เผยแพร่กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านี่เยอะมากเลยนะต้องระมัดระวังนะเป็นธรรมะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะซ่อนเข้ามาอยู่ในศาสนาพุทธนี่มหาศาลเลยต้องรู้จักแยกแยะนะแยกแยะให้ถูก เรียนซะบ้างนะอ่ะเท่านี้ก่อนนะวันนี้ว่าจะผ่านั่งสมาธินะ่ว่าจะขีข้โกงเสร็จแล้วก็อดเทศไม่ได้เลยกลายเป็นเทศยาวกว่าปฏิบติรครับนมัสการค่ะหลวงพ่อครั้งก่อนไม่กล้าส่งกันบ้านครั้งนี้ก็มีติดอยู่อย่างนึงอยู่มาเดือนหนึ่งแล้วอะค่ะฮ ติดอยู่อย่างหนึ่งมาเดือนหนึ่งแล้วไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับการภาวนาหรือเปล่าคือหนูมีความรู้สึกว่าหนูเหมือนง่วงง่ายขึ้นแล้วก็ปกติไม่ใช่เป็นคนชอบนอนนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆนี้รู้สึกช่วงบ่ายๆก็จะรู้สึกง่วงแล้วก็นอนทุกที่นอนจะไม่หลายชั่วโมงวันนี้รู้สึกจะนอนเพิ่มขึ้นบางทีอายุเยอะขึ้นก็เป็นนะเหนื่อยมากขึ้นก็เป็นนะ เป็นเพราะภาวนาก็มีเป็นเพราะภาวนาประเภทที่ภาวนาไปแล้วจิตมันเบื่อจิตมันมีนิพพิทาขึ้นมานะมันเห็นโลกไร้สาระโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มันก็เลยหนีหนีด้วยการไปหลับซะะงั้นเราดูเอานะงั้นหลับพอสมควรแล้วมันจะหลับอีกแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินเคลื่อนไหวไปนะในกรณีของหนูนี่ คือหนูก็พยายามจะเดินซะเยอะกว่านะเจ้าค่ะแต่มันเกี่ยวข้องกับการภาวนาหรือเปล่าเจ้าค่ะคือต้องไปให้หมอก็ดูทางร่างกายด้วยน ะ, ะส่วนทางถ้ามันเป็นการภาวนาเนี่ยมันจะมีเป็นช่วงๆหลวงพ่อก็เคยเป็นมีอยู่ช่วงหนึ่งนะภาวนาแล้วมันจะหลับลูกเดียวเลยขนาดนั่งสมาธิก็หลับไม่เคยหลับนั่งสมาธินะตั้งแต่เล็กๆนั่งมาไม่หลับมีสตินั่งหลับก็เปลี่ยนไปนั่งขัดสมาธิ ไปนั่งไหมอาตมาเพชรนะเจ็บนะยังหลับเลยนะเปลี่ยนไปเดินจงกรมเดินหลับอีกนะีเดินชนข้างฝาได้นะเดินเตะ น, น้อนเตะ น, นี่ไดนะ้ทำไงก็ไม่หายนะไปถามหลวงปู่สิมรู้จักไหมเคยได้ยินชื่อไหมหลวงปู่สิมพุทธาจารโรใครอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีกิริยาท่าทางยังไงนะให้ไปดูหลวงปู่สิมนะทนะ่านถึงชื่อพุทธาจารโรนะมี ปริยาอาการนะแบบโพระเจ้าเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกมาเวลาท่านเทศน์นะท่านจะเราไม่ทําให้เหมือนนะเดี๋ยวว่าล้อเลียนครูบาอาจารย์แต่เห็นแล้วน่ารักนะารักห<อ>ลวงปู่สิลมาบอกหลวงพ่อว่าอยติมัวแต่สงสัยให้ทําต่อไปเราก็มาดูทีหลังนะภาวนาไปแล้วถึงมรรู้ทีหลังจิตม่เกิด น, นิพพทา จิตมันเบื่อมันเห็นเลยภาวานาไปนะเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษนะเห็นแต่ของไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างน่าเบื่อไปหมดเลยความสุขในโลกไม่มีเพราะจิตมัเห็นอย่างนี้จิตมันเบื่อจิตมันเบื่อจิตมันหนีพอนั่งสมาธิปุ๊บหลบเข้าไปนิ่งอยู่ข้างในหลับไปเลยไม่อยากรับรู้โลกภายนอกถ้ามันเป็นชั่วคราวไม่เป็นไรนะลองไปดูไปว่ามันจะชั่วคราวหรือมันถาวรอลถ้าถาวบอลก็เปลี่ยนที่ภาวานาบ้าง สมัยก่อนครูบาอาจารย์ตรงนี้ผีดุท่านก็ไปนั่งตรงนี้เสือดุท่านก็ไปนั่งอเงี้ยเดี๋ยวนี้หายากละ ว, วัดหลวงพ่อมีแต่แค่งูเห่างูเห่ามันก็ไม่กัดใครสวยนะงูน่ารักขออีกคาถามหนึ่งค่ะหนูนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าเคลิมบ้างเพราะเคมลมต้องให้จิตหลุดออกมาอย่าให้จิตติดนิ่งอยู่ข้างในะ ให้จิตมันหลุดออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยถ้าจิตติดอยู่ข้างในแล้วมันซึมไป ม, มันเหมือนกับว่าพอพอนั่งใหม่ๆปุ๊บเนี่ยเคลิมปุ๊บเหมือนจิตสติมันดึงกลับมาแต่ว่าพอผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงนะเจ้าค่ะมันจะเหมือนเคลิ้ ม, ม, น, มนานขึ้นเออมันหมดแรงนะก็เปลี่ยนอิริยาบถไปออหรือว่าถ้าจะเคลิมจริงนะหลวงพ่อมีพัดอันหนึ่งนะหลวงพอ่พอ น, นั่งนะ พ, พัดเลยนะถ้าเคลิมแนี่พัดก็ตีหัวตัวเองบ้างพัดตกบ้างก็รู้สึกขึ้นมาอีก หาเครื่องช่วยมันบ้างเขาหนูไม่มีอะไรมากอะ น, นะบอกให้ก็ได้จิตมนเข้าไปล็อกอยู่ข้างในไปล็อกนิ่งๆอยู่ข้างในมันซึม Active ไหมแอคทีฟอยงี้นะปล่อยตัวเองออกมานะมันก็จะหายอ้าคนที่สองมีแต่ผู้หญิงเหรอวันนี้ถ้าผู้หญิง12คนผู้เรียกนางสิบส อ, น, น, สบสอนะมีวิชายคนเดียวเหรอ กกะลาค่ะหลวงพ่อให้ไปทําในรูปแบบก็พยายามทําเกือบทุกวันแล้วก็วันละประมาณสิบนาทีแ ล, แล้วรู้สึกว่าแรงมันมากขึ้นไหมมันจะเป็นช่วงๆอะค่ะบางครั้งที่มันมันดีมันก็รู้ตัวดีแต่ถ้าเป็นช่วงเสื่อมมันก็ไม่ค่อยรู้อะไรนั่นแหล ะ, ะใช้ได้การภาวนานะีไม่มีหรอกจเจริญลูกเดียวนะมีแต่จเจริญแล้ว เ, เสื่อมแต่มีหน้าที่ปฏิบัติจเจริญก็ปฏิบัติเสื่อมก็ปฏิบัติไปเรื่อยนะสุดท้ายปัญญามันเกิด ปัญญาเกิดไม่ใช่เพราะมันเจริญตลอดนะต่ปัญญาเกิดเพราะมันเจริญแล้วเสื่อมมันจะเห็นอะไรทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างบังคับไม่ได้ดีไปทําอีกเนี่ยช่วงนี้มันจะเห็นความไม่เป็นการบ่อยอะคะ่ะดีเริ่มฉลาดแล้วแล้วก็แต่มันยังเป็นมันเห็นด้วยเพราะสติใช่ไหมคะยังใ ช, ใช่เพราาะปัญญเห็นด้วยสติถ้าเห็นด้วยปัญญาเห็นโลกนี้เท่ากันหมดเลยนะสุขทุกขด์ดีชั่วเสมอกันหมดเลยจิตไม่ปรุงต่อ จิตไม่ปรุงต่อแล้วแต่ไปจิตรวมก็อปนานะเห็นทุกอย่างไหลมาไหลไปจิตเป็นกลางแท้ๆเลยแล้วอริยมรรคก็จะเกิดแล้วเราจะช่วยนํามันยังไงคะให้มันแบบดูเน้นปัญญาค่ะอย่าให้ติดนิ่งติดเฉยแลดูกายดูใจเขาทางานเรื่อยไปนะก็เกิดปัญญาเกิดมาอย่าให้ใจประคองใจให้นิ่งไม่เป็นหรอกอ ย, อย่าไปกลัวเลยมีแต่จะฟุ้งไปด้วยซ้ําไปขอบคุณค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อสองปีที่แล้วค่ะก็ตอนนี้ค่ะว่าเวลามีโทสะถ้าเป็นโทสะเล็กๆค่ะก็จะเห็นทันแล้วก็เห็นอย่างเป็นกลางก็จะดับแต่ถ้าโทสะตัวใหญ่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยจิตใจมันจะดิ้นนะคะรู้สึกว่าใจมันดิ้นดินดิ้นดพอสักแป๊บหนึ่งเห็นอีกทีก็คือเห็นตัวเองยืนไปยืนเถียงกับเขาแล้ว่ค่ะก็ รู้สึกว่าตัวเองอ่ะใจไม่ตั้งมั่นก็กลับมาทําสมาธะนะคะหลพ่อพอกลับมาทําสมาธะเนี่ยก็ดูลมหายใจพอดูลมหายใจรู้สึกว่ามันแน่นก็ดูไม่ได้นะถ้าเราทําสมาธะแบบบังคับให้แน่นๆน่นนิ่งๆนะแล้วพอนิ่งออกมาพอออกจากสมาธิแลเราจะยิ่งขี้โมโหกว่าเก่าอีกใช่ค่ะพอเราทำสมาธะไม่หลอกหรอกพอรู้สึกว่าโทสะตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกว่าเก่าอแก้ผิดวิธี ก็ฟังซีฟังซีดีหลวงพ่อว่าหลวงพ่อให้มาทำพุธให้พุทโทก็กลับมาทาพุธโทปรากฏว่าเวลาพุทโทเนี้ยเอาพุทโทกับลมหายใจไปผูกด้วยกันก็คือพุธเท่าโทออกเนี้ยยิ่งก็เลยยิ่งแน่นใหญ่ขไม่ไม่อย่าไปทําอย่างนั้นก็เลยจะขอต่อไปเวลาทํำไมโทสะเล็กๆเราสู้ไหวเพราะสติเราเล็กๆนะโทสะใหญ่ๆเราสู้ไม่ได้เพราะมันใหญ่กว่าสติของเราแล้วก็ฝึกสติบ่อยๆ อะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันนะแล้วก็คอยสังเกตเอาใจไม่ชอบโทรศัพนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบเพราะอีกเพิ่มกําลังของสติก็อีกค่ะหลวงพ่อคะจะขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนํนากรรมฐานที่จะใช้ในการทําสมถะนะคะเพราะว่ารู้สึกจเจริญเมตตาไห ม, ม, ไ ม, มสนะิถ้าเราขี้โมโหจเจริญเมตตาไปพวกที่ขี้โมโหนะพรภาวนา คนตุกคนร้อนไปแล้วนะจะเมตตาสูงนะแปลกมีครูวาอจารย์อย่างหลวปู่ขาวหลวงปู่ขาวขี้โมโหนะพ อ, อท่านภาวนาได้ดีแล้วนะท่านเมตตามากเลยเมตตาพอเราจเจริญเมตตายอยๆหน่อยดูคนอื่นด้วยความน่าสงสารบ้างนะดูตัวเองมันก็น่าสงสารลนะจิตนี้ก็น่าสงสารอย่าไปมโมโหจิตเองนะ จิตของเราเองก็ตรากตรำมากเลยวันๆหนึ่งเหนื่อยสารพัดอยู่แล้วยิ่งไปโมโหมันอีกนะเนี่ยหัดสงสารจิตของตนเองบ้างนะแล้วต่อไปมันก็สงสารคนอื่นบ้างนะจเจริญเมตตา แ, แ ม, าม่นะสมาธีมจะเพิ่มค่ะแล้วเวลาทํากรรมฐานเวลาจะทําในรูปแบบนะคะหลวงพ่อจะใช้วิธีไหนดีคะเวลาจนั่งจเจริญเมตตาไปก็ได้นั่งเจริญเมตตาเออหรือสวดมนต์ไปก็ได้อะไรนะทำใจให้สบายให้มีความสุขอะค่ะนะ พอมีความสุขและโทส3มันก็ไม่ค่อยมีอะโทส3เกิดจากความทุกข์อีกอีกคำถามหนึ่งนะคะหลวงพ่อเมื่อวานนี้ออได้รับโทรศัพท์ว่าน้ำประปาที่บ้านเนี่ยมันรั่วแล้วก็ปั๊มน้ำทำทำงานตลอดก็รู้สึกว่ามีความทุกข์ขึ้นมาก็พิจารณาว่า เ, เมื่อก่อนรับโทรศัพท์เนี่ยเราไม่ได้ทุกเลยรู้สึกใจสบายแต่พอรับโทรศัพท์แล้วก็มีความทุกข์ก็คิดว่ากายใจ เ, เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้มีเหตุมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ทราบว่าพอใบเนี่ยรู้สึกว่าพอมาดูความทุกข์อีกทีหนึ่งความทุกข์มันก็จางลงไม่ทราบว่าอย่างนี้เป็นการพิจารณาไตรลักษณ์หรือเปล่าคะเป็นการคิดพิจารณานะราะงั้นยังไม่ขึ้นไม่ปรัชนานะแต่ว่าเบื้องต้นจะคิดอย่างนี้ก่อนก็ได้อย่างน้อคิดแล้วก็สบายใจแหละได้อะไรได้สมถะ ได้สบายใจถ้าไตรลักษณ์นี่ต้องเห็นเอามิปัสฉนาไม่ได้แปลว่าคิดปัจฉนะคือการเห็นการเห็นอย่างวิเศษหรือการเห็นแจ้งเห็นตรงความจริงว่าเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละขอบคุณค่ะหลวงพอ่อธรรมาสการค่ะหลวงพอ่อคือตัวเองนี่ยนะคะฝึกมานานแล้วแต่ ว, <ม>ว่าเป็นลักษณะย ก, ย ก, ก ล, ลักษณะของอครูพระลักษมณ์จำค่ะ แล้วเมื่อเดือนที่แล้วไปทําเองตั้งใจว่าจะทํำ9วัน9คืนนะคะอืได้แค่5วัน5คืนอืรพอคืนที่6นี่ฟุ้งซ่านทําไม่ได้เลยทั้งเดินทั้งนั่งอืแล้วก็คืนที่7นี่คือ ส, สติแตกเลยเหรอทําไมไม่ถามอาจารย์ละ่ะไม่มีอาจารย์ค่ะ อ, อ้าวเหรอไปเองทําเองเนาะต้องเรียนสักก่อนสินะ อยู่ๆไปทําเองเราทําไม่ถูกหลักสติแตกนะก็เลยมานี่ก็ขอน้องเป็นหัดรู้สึกตัวนะหัดรู้สึกตัวอย่าเพิ่งไปนั่งสมาธินะพยายามรู้สึกตัวก่อนนะใจของเราเป็นสุขเราคอยรู้ใจของเราเป็นทุกข์คอยรู้ใจหนักใจเบาค่อยรู้นะดูเล่นๆตรงนี้ไปก่อ น, นถ้าอยู่ๆอยไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมอะไร9้าวันเครียดตายเลยเดี๋ยวสติแตกอย่างลักษณะนี้นีฉันควรเหมาะกับสมถะหรือวิปัสสนาะคะ ตอนนี้ต้องเจริญสติก่อนต้องมีสติให้เยอะก่อน oh. ถ้าขาดสติก็ทำสมถะไม่ได้ oh. ขาดสติก็ทำวิปัสนาไม่ได้หัด ร, รู้สึกตัวก่อนให้รู้สึกตัวก่อนเออรู้สึกตัวบ่อยๆนะ <Ha. S 1> ใจหนีวิคิดเรารู้เนี่ยใจหนักขึ้นมาใจเบาขึ้นมาไปรู้ oh. หัดรู้ก่อนหัดสติก่อนค่ะ <Ha. S 1> ถ้าอยู่ๆไปทำในรูปแบบเลยนะเราไปบังคับจิตมากเครียดเครียดมากๆทนไม่ไหวสติแตกไม่ดี เพิ่มสติก่อนเพราะสติแตกไปแล้วซ่อมก่อนซ่อมสติก่อนกลาบขอพระคุณค่ะอย่าเพิ่งนั่งสมาธินะต้องเพิ่มสติก่อนกลับนมรสการหลวงพ่อค่ะออตอนนี้โยมก็ภาวนามาได้สิเดือนแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นกลางมากขึ้นแต่ว่ามันจะกลางกับความสุขนะคะความทุกข์ยังไม่ค่อยเป็นกลางยังเข้าไปคลุกแล้วเข้าไปแก้ปัญหาทั้งที่เรียนรู้แล้วว่า แก้แล้วก็ไปเจอทุกอันใหม่อะค่ะโดยเฉพาะทุกที่แรงๆปัญหาทางโลกหรือหรืออะไรหรือปัญหาในจิตเป็นปัญหาทางโลกค่ะปัญหาทางโลกต้องแก้นะไม่ใช่สักแต่ว่ารู้ว่าเห็นนะแต่ว่าแก้ด้วยแก้ดยจิตนะคะไม่เป็นกลางต้นะคะจิติปัญญาจะได้เกิดอันนี้จะต้องคือต้องแยกกันระหว่างปัญหากับทุกขโลกเนี้ยสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราปรุงความทุกข์ขึ้นมาเอง เพราะงั้นเรามาฝึกจิตของเร า, าให้มันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะอย่างปัญหาทางโลกเกิดขึ้นแล้วความทุกข์เกิดขึ้นเนะี่ยสังเกตเลยมันเกิดจากความอยากมันอยากให้ไม่มีปัญหาใช่ค่ะให้รู้ทันใจที่อยากเข้าไปพอความอยากดับเนี่ยนะใจก็สบายแล้ ใ, ใจสบายเนี่ยสมองก็โปร่งแล้วค่อยไปคิดแก้ปัญหาทางโลกเอาก็ให้รนะู้ทันความอยากใช่ S <S แต่ว่าทางโลกต้องแก้ปัญหาน ะ, ะอย่างหลวงพ่อเคยเจอคนหนึ่งลูกมีปัญหาลูกติดยาอะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็เจริญปฏิบัติธรรมออกสักว่ารู้ว่าเห็นบ้าแล้วพ่อแม่อะไรอย่างนั้นทำผิดหน้าที่แล้วก็ทราบว่าต้องแก้ค่ะแต่ว่าแก้ด้วยความไม่เป็นกลางแล้วรู้สึกยิ่งทุกหนักเข้าไปใ่นั่นั่นต้องแก้ที่จิตเราก่อนนะขจัดความทุกข์ออกจากจิตซะก่อนด้วยสติปัญญาความทุกข์มาจากความอยากรู้ทันความอยากความอยากหายไปจิตไม่ทุกข์แล้ว เปลี่ยนสติปัญญาขึ้นมาแล้วไปแก้ปัญหาต่างโลกค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งโยมดูโมหะไม่ค่อยเป็นนะคะรู้จักจิตฟุ้งซ่านไหมซ่าจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละคือตัวโมหะอ๋อค่ะจิตลังเลเคยเห็นไหมค่ะนั่นแหละตัวโมหะอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ระดับของโมหะของโยมนี่มากน้อยปานกลางไม่มากไม่มากนะคะแที่จริงภาวนาใช้ได้นะภาวนาดีหลังฮะแล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะ ก่อนนี้เนี่ยโยมเคยเรียนถามหลวงพ่อว่าโยมภาวนาถึงระดับชานไหมหลวงพ่อบอกว่าได้ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยโยมไม่ทราบว่าตอนนี้เวลาปฏิบัติในรูปแบบเวลานั่งสมาธิอะค่ะเขาไม่ค่อยเดินจิตเหมือนแรกๆอะค่ะคือพอนั่งปุ๊บจิตเขาก็จะไปกดลมหายใจให้ลงต่ำๆเลยแล้วก็ ดูสภาวะเลยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเออนั่นมันจะเดินแต่ปัญญามันไม่ยอมพักสิค่ะบางทีเขาก็ไปดูกายบางทีเขาก็ดูจิตอย่างเงี้ยถ้าถ้าจะให้มันพักนะก็น้อมใจไปน้อมใจไปอยู่กับพุทโธไม่ไปพิจารณาแะไ้งสิ้นไม่ไปดูอะไรทั้งสิ้นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจนะไม่ให้มันหนีไปดูเกิดดับค่ะก็ปล่อยเขาไปเองค่ะบางทีเขจะปล่อยมากไม่ได้เดี๋ยวฟุ้ง มันจะพุ่งไปเพราะงั้นถึงเวลาที่จะทําสมถะน ะ, ะล้วก็น้อมจิตเข้าไปไปอยู่กับลมหายใจอะไรเนี่ยเวลามันจะหนีไปที่อื่นแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมแต่กลับมานุ่มๆ น, นะตัวนี้เป็นศิละปะเข้ามานิ่มๆ ม, มาสบายๆไปดึงมาแรงๆ แ, แข็งแปลกไม่สงบค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วตอนนี้เนี่ยตัวรู้ของโยมนี่ไม่ทราบหายไปไหนคะ่ะมันมันมันมาแอแบบแอบนเนียนเนียนตตัวรู้ยังเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอเพราะมันมีเที่ยง ไม่ต้องสนใจใช่ไหมไม่ต้องตกใจมาได้ก็ไปได้เมื่อก่อนนี้เห็นชัดเจนเดี๋ยวนี้คือแบบสมาธิมันตกสมาธิมันตกไปตัวรู้หายตัวรู้หายใช่ไหมคะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งต้องทําสมาธิเก็ทำสมาะนะตัวรู้จะเด่นขึ้นมาอ๋อค่ะแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเข้าฌานเข้าฌานถึงฌานที่สองตัวรู้จะเด่นนะค่ะอย่างนี้หมายถึงสภาวะจิตของโยมนี้ยังยังมีฌานอยู่ไหมเจ้าคะฮะ สภาวะจิตของโยมเนี่ยเวลานั่งฟังหลวงพ่อหรือว่าภาวนาหรืออะไรอย่างนี้ยังมีชาดิมั น, มนจะไม่ยอมอ ม, มันยอมทําสมาธิสิมันจะเดินปัญญาอย่างเดียวนะเขาเป็นอย่างนั้นเองอะค่ะธรรมดาคนเคยเดินปัญญาแล้วไม่ค่อยชอบทําสมาธิแล้วค่ะครั้งสุดท้ายที่ทําเนี่ยเขาแบบรู้ว่าเออเดี๋ยวจะไปช่องนี้เดี๋ยวจะตกผวังอีกสองครั้งเดี๋ยวจะอะไรอย่างนี้เขาก็เลยถอดออกมาเลยค่ะอะ่นี่ยมันคิดนําไปแล้วปัญญามันละ้ําไป เพราะแบบเหมือนเหมือนแบบจำทางได้แล้วก็ไม่สนใจมันเพราะว่าเอใจมันปลอะไรอย่างเงี้ยหายใจไปรู้ลมไปอะไรเล้ยปล่อยให้เขาเป็นเองแล้วถ้าพอมันคิดนำแล้วฟุ้งซ่านมันจะหลุดออกจากสมาธิเลยไม่เข้าฌานสรุปแล้วก็คือต้องกลับไปทำแบบเดิมค่ะแล้วไม่ทราบหลวงพ่อจะมีข้อแนะนำอะไรให้โยมที่ไม่ติดอยู่กับรู้สึกตอนนี้จิตเขาเดินแบบบนนะคะไม่ไม่จิตไม่มีแรง ไม่มีแรงกนับไปทำสมถะขึ้นมากลับไปทำสมถาค่ะกลับขอบพระคุณค่ะกลับนมาสักการหลวงพ่อค่ะคือว่าหนูอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เพิ่งได้ฟังซีดีหลวงพ่อจากทางเว็บวิมุตติ .net เนนะคะอยากจะกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูพอจะเข้าล่องเข้ารอยอะไรอเ โ, โอ้ยมีศีลไหมมีค่ะเออนั่นแหละเ ข, ลเข้าล่องเข้ารอยละจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างไหม บางทีก็อยู่บางทีก็ไเนี่นนนยก็เข้าร่องเนะข้ารอยบ้างนอกร่องนอกรอยบ้างเห็นกายเห็นใจแยกออกจากกันไหมเห็นคะ่ะตอนนั่งสมาธิเข้าร่องเ<ท>ข้ารอยแหละ แตว่าอยากจะเรียนถามหลวงพ่ออย่างหนึ่งอะคะ่ะคือฟังจากซีดีหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่อบอกว่าถ้าเรามีสติระลึกรู้คือเราเผลอไปเราก็รู้อะคะ่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าเรารู้ปุ๊บอยากไปดึงมันกลับมาะคะ่ะ ม, มันคือหมายความว่ายังไงคะเพราะว่าเรารู้เราก็ก็รู้อะคะ่ะมันก็เหมือนกับไม่เห็นแม่ถ้ า, ถ, าถ้าแค่รู้เฉยเฉยนะใจมันจะไม่แน่นถ้าไปอยากให้มันมาแล้วออกแรงดึงมานะใจจะแน่นเลยอย่างนี้ไม่ดีเราลองลองดูสิว่าพอเผลอแล้วเรารู้ว่าเผลอใจมันแน่นไหม คือตอนแรกแว็บแรกค่ะมันจะไม่แน่นค่ะพอแว็บต่อไปมันจะแน่นไปนหมดเลยอะค่ะนั่นนั่นไอ้ที่ถูกก็คือแว็บแรกเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้แน่นล่คะคะทำไม่ได้ใจ<ต>มันโลภอ๋อก็ดูว่ามันแน่นไปใช่ไหมก็ดูมันแน่นไ ป, ไปแน่นเป็นวิบากแล้วนะเป็นผลจากการกระทํากรรมของเราแนละ้วก่อนที่จะเกิดความแน่นซึ่งเป็นวิบากเป็นผลเนี่ยมีกิเลสมาแล้วมีการกระทํากรรมมาแล้วกิเลสคืออะไรกิเลสคืออยากดีอยากรู้สึกตัว เกิดการกระทำกรรมคือการไปบังคับให้จิตกลับเข้ามาเกิดวิบากคือการแน่นห้ามไม่ได้ตัววิบากเป็นตัวที่ต้องรับเป็นกรรมระะที่เราต้องผลกรรมที่เราต้องรับแนละ้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกแน่นเราก็ลองคิดเรื่องอื่นไปให้มันหายแน่นใช่ไหมคะไม่ใช่ <laughs> พวามันแน่นขึ้นมานะรู้ทันที่จิตที่อยากให้หายแน่นเกิดความอยากซ้อนขึ้นมาอีกลนะให้รู้ทันต้นต่อของมานะัน รู้ทันความอยากนะรู้บ่อยๆหน่อยไม่แน่นคมันแน่นได้เพราะอยากแล้วหลวงพ่อมีอะไรที่จะแนะนำนี่แน่แล้วนะไปดูความอยากบ่อยๆกราบขอบคุณหลวงพ่อค่ะกราบธมศสการค่ะคือรู้สึกว่ากิเลสมันเยอะมากแล้วก็จิตใจมันชอบไปอยู่กับอกุศลตลอดเวลา อ, อย่าไปอยู่กับมัน มันก็จิตมันก็เลยไปมีโทสะยืนพื้นที่หลวงพ่อเคยบอกว่าเป็นคนโทสะแลงให้มันเข้มแข็งกว่านี้หน่อยนะให้ใจมันตั้งมั่นเข้มแข็งกว่านี้หน่อยใช่จิตพลังมันอ่อนไปค่ะมันไม่มีกําลังแล้วมันลไม่มีแรงมันไม่รู้จะทํำยังไงอะนะพุทโธไปพุทโธจิตมันก็ไม่ไปอยู่เพราะมันไปหลงคือจิตเนี่ยความเคยชินมันรู้สึกว่ามันชอบจะไปอยู่กับหลงกับอสุศ่แล้วมันก็ปรุง ถ้างั้นแทนที่จะให้มันคิดอกุศล น, นะให้มันคิดอยู่ในร่างกายของเรานะพามันมาคิดเลยจนะ ค, คิดเรื่องร่างกายก็ได้ร่างกายตั้งแต่ผมถึงเท้าเท้าถึงผมนะไล่ดูเปทีละส่วนทีละส่วนอย่างนี้ก็ได้ไม่เปิดช่องให้มันคิดอกุศล น, นะหรือจะคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ได้พุทธเจ้าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะตอนนั้นที่เหมือนที่คนคุณเนี่ยค่ะที่บอกว่าโทรศัพ์แล้วเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราควรจะเจริญเมตตาหรือเปล่าแล้วก็ หรือว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะดูโทสะไปเฉยๆอะไรเงี้ยดูไปเฉยๆก็ได้ดูเฉยๆได้ยังดูไหวอยู่ยังดูไหวแล้วคือตอนเนี้ยมันบางทีเนี่ยค่ะมันมันก็คือจะไปหลงกับเพ่งใช่ไหมฮะมเพราะว่าจิตมันไม่ไม่มีกําลังกิเลสมันใหญ่เนี่ย ม, มันก็เลยดูเหมือนกับว่าบางทีมันเวลาที่เราดูเรารู้สึกว่าเรากําลังเสแส้งที่จะดูอย่างนี้มันจะทํำยังไงคะขนแรกนะทําใจแข็งๆก่อนเข้มแข็งก่อน แล้วไปเริ่มดูใหม่ใจมันอ่อนไปก็ก็คือพยายามใช้ความคิดเข้ามาช่วยใช่ไหมคือถ้าความคิดมันแรงมันจะพาเราไปคิดอกุศล น, นะเราไปห้ามไม่ให้คิดเนี่ยมันเหมือนน้าเชี่ยวเอาเรือไปกวางเลยแทนที่เราจะห้ามมันคิดนะั้นเราพามันคิดแต่ว่าคิดเรื่องที่เป็นกุศลซะก็คือถ้าสมมติอย่างเวลาที่มันมีโทสะแรงเนี่ยค่ะบางทีเนี่ย ตอนที่นั่งในรูปแบบอะค่ะแล้วมันเห็นว่ามันมีโทสะแรงขึ้นมาเนี่ยนะคะก็รู้วพอพอตั้งเวลาไว้ค่ะพอหมดเวลาปุ๊บเนี่ยรู้ว่าโทสะแรงอยู่เนี่ยขนาดว่าจะสวดมนเนี่ยค่ะมันต้องรอสักแป๊บหนึ่งเพราะใจมันไม่เอนอย่าไปบังคับมันรุนแรงนั้นนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือรอรอดูมันไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันลดลงก็คือรู้ทันใจของเราใจเรายินร้ายรู้ทันมันไปเรื่อยแล้วก็ จะพิจารณาความตายก็ได้คิดเรื่องความตายก็ได้นะคิดถึงว่าคนอื่นนะเขาก็มีความทุกข์เยอะแยะอยู่แล้วเราจะไม่เพิ่มความทุกข์ให้เขาคิดอย่างนี้ก็ได้นะพามันคิดอะคิดให้เป็นกุศลเดี๋ยวจิตจะได้สงบจิตสงบมีเรี่ยวมีแรงแล้วมันจเจริญปัญญาต่อมันยังไหวอยู่ไหมคะกิเลสมันลากไปเยอะเลยใช่ไมก็ต้องอดทนเอานะกิเลนก็กรองโลกมานนานแนละ้วคิดจะเอาชนะมันไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องสู้กล่าวณมศกราโรโซกิเลตรองโลกนะเจ้าโลกตัวจริงเลยไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่จีนหรอกกลาวณมชกรารหลวงพ่อค่ะ เ, เคยปฏิบัติบแบบพองยุคมา15ปีนะคะแล้วเครียดมากแล้วก็ได้ไปกล่าวหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมตอน 4-5 หปีหลังมาก็เปลี่ยนรูปแบบปฏิบัติามานะคะตอนก็ดูจิต ด, ดูกายไปเรื่อยทีนี้เมื่อประมาณต้นเดือนสิงหา ที่ผ่านมาปี54ี่เนี่ยค่ะรู้สึกว่ากายเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกับสิ่งรอบๆตัวอยู่ประมาณสี่ห้าวันนะคะแล้วก็แต่ตอนเนี้ยขณะเนี้ยมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เผลอไปแล้วรู้สึกตัวเนี่ยกลับไม่รู้ว่ากายเรามาอยู่ตรงไหนอะค่ะนะคะก็ตามรู้ว่าเออรู้นะแล้วตอนนี้ทุกครั้งที่รู้สึกตัวก็จะใช้ภาษาของตัวเองคืออืแทนคำว่ารู้เพราะมีความรู้สึกว่าใช้คำว่ารู้เนี่ยมันก็ยังยาวไปนะคะ กับกลัวไปติดคำว่ารู้ซึ่งก็ตามรู้ว่าเรากลัวนะ <c oughs> แต่ก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็ดูกายดูจิตไปไเรื่อยไม่ได้เครียดเหมือนแต่ก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเคยใช้วิธีนับเลขแต่ใช้วิธีนับเลขแบบถอยหลังพอทุกครั้งที่เผลอไปเราก็เออเราเผลอไปนะแล้วก็เริ่มมากลับมาเริ่มมาจากนับหนงอคุณปัญหาหของคุณนะคือปัญญามันล้ำหน้าม่ชิดมากไป มันวิเคราะห์มันหาทางเยอะไปนะแทนที่จะต้องไปคิดค้นกว่าอะไรมากมายนะรู้ซื่อเลยรู้ลงสบายรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยนะมันดิ้นรนเยอะไปใช่ค่ะเปค้นให้ได้เลยว่ามันต้องแบบนี้แบบนี้แต่พยานนะคะนั้นแหละเป็นจุดออนนะเออย่าไปเชื่อมันใจแข็งแข็งไว้โง่ก็โง่คิดอย่างนี้นะโง่ก็โง่แต่จะรู้ลงปัจจุบันเอาปัจจุบันลูกเดียวเลยค่ะ ถ, ถ้าทำตัวนี้ได้ก็ผ่านตัวนี้ได้เลยไม่งั้นจะคิดไปทั้งชาติแหลยะยะถาวาริวหาบุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวอยโตตินังเปตางอุปกะปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุ สับเบพเพกูเรนตูสังกัปปจันโทปนรสโสยถามณีชโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพะโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจงอุทาปัจจายิโนจัตตาโรธรมาวัันตียยุวันโนสุขังพลัง หลวงพ่อไปแล้วนะอย่าลืมนะไม่ต้องภาวนาอะไรมากแล้วภาวนาสองอย่างเท่านั้นแหละนะทำในรูปแบบกับในชีวิตประจำวันเท่านั้นแหละวันวันหนึน่ง